มงคลชีวิตมงคลที่37จิตปราศจากกิเลสวิรัชังเอตัมมังคาลมุตตมังจิตปราศจากละอองกิเลส เพราะกำจัดกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วจึงชื่อว่าจิตปราศจากทุลีพระอริยะเจ้าสี่ผู้มีจิตปราศจากทุลีชนิดสมุตรเทษทปหาร 1. พระโสดาบันผู้ถึงกระแสอริ ย, รรยมรรคละวิจิกิจชา้า สักยะทิฏฐิและศีลพระตะปรามาดได้สิ้นเชิง 2. พระสักกทาคามมผู้กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งเดียวทำให้ราคะโทสะและโมหะส่วนหยาบอันเป็นเหตุให้ทุจริตหมดไปได้สิ้นเชิง 3. พระอนาคามี ผู้ไม่เวียนกลับมาโลกมนุษย์อีกละกามราคะและโทสะได้สิ้นเชิง 4. พระอาราหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณาทานสูงสุดละกิเลสที่เหลือทั้งหมดได้สิ้นเชิงผลดีของการหมดกิเลสผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุคอยกังวลว่า นี้ของเรานี้ของคนอื่นผู้นั้นไม่ต้องผเผชิญกับเจ้าตัวของข้าจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเขาไม่กระวนกระวายไม่ติดข้องไม่หวั่นไหวเป็นผู้สมานเสมอในที่ทั้งปวงเมื่อเขาไม่หวั่นไหวมีความรู้แจ้งชัดจึงปราศจากความรู้สึกปรุงแต่งใดใด เขาเลิกรำพึงรำพันหมดแล้วจึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถานจิตปราศจากทุลีจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้เป็นผู้ไม่หวั่นไหว 2. เป็นเนื้อนาบุญสูงสุดของชาวโลก 3. เป็นผู้ไม่เกิด ไม่แก่ไม่ตายอีก 4. เป็นผู้สูงสุดเหนือเทวดาและมนุษย์ 5. เป็นผู้มีความสำนึกประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ